รกทั้งภายนอกถูกรกชัดนั้นหุ้มพอแล้วข่าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอถามพระองค์ว่าใครพึงถางรกชัดนี้ได้จากนั้นพระเจ้าก็รับสั่งตอบซึ่งอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเป็นพระบุทธภาสิทธิ์ที่มีบทบาทสำคัญเนื่องจาก แต่นำไปอธิบายขยายความเป็นประกรณ์พิเศษชื่อวิสุทธิมรรคเป็นเอกสารเล่มขนาดใหญ่นะพอแปลไปแล้วก็มีหลายร้อยหน้าซึ่งในงแง่ของการศึกษาถ้าหากว่าเราได้ทำความเข้าใจกระปรธรรมในวิสุทธิมรรคได้มันก็รู้จักพระศาสนาได้อย่างชัดเจน ได้ทั้งหลักการศาึกษาหลักการปฏิบัติแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพอเป็นการสรุปรวมไว้ที่ศีลสมาธิปัญญาเพราะงั้นคำวมารกชัดในที่นี้หมายถึงกิเลส ท, ทั้งหลายแต่ว่าเทวดาเน้นไปที่ตัณหาซึ่งก็หมายความว่าตัณหานั้นกเน็เป็นชื่อตัวแทนของกิเลส ซึ่งเวลาเรียกก็นำชื่อใดชื่อหนึ่งมาเรียกแต่ว่าในการเพิ่มการลดของกิเลส ท, ที่จริงเขาก็เพิ่มลดด้วยกันหมายความว่าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งลดเนี่ยอีกอย่างอื่นก็จะลดตามเช่นสมมุติว่าโลภะลดในวัตถุสิ่งหนึ่งใครมาเอาสิ่งนั้นไปเราก็ไม่มีโทษสั เราแสดงว่าโมหะเราก็ลดเห็นว่าวางไว้ก็ไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ได้ใช้ไปเขาเอาไปแล้วก็ดีเหมือนกันเราไม่ต้องเก็บไปทิ้งมันจะเกิดอาการปล่อยวางโดยซ้ำไปพระดำรัดในตอนแรกรับสั่งว่าสิเลปฏิทายันโรสปัญโยจิตตังผานปัญญจะพาวะยัง อาตาปีนิปโกภิกขุโซอิมังวิชะตะเยชะตังเราสั่งว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดภิกสุนั้นพึงสังชัดก็คือตัณหานั้นได้หรืออันหานี้ได้ ปัประเด็นแรกเนี่ยคำว่านรารชนเราจะเห็นว่าในภาคสนามคือภาคการประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นภิกษุหรือเป็นฆราวาสแต่ใช้คำว่านรารชนก็หมายความว่าคนที่เกิดมาเนี่ยก็อยู่ในวิสัย ที่จะปฏิบัติขัดกราบจิตใจไปตามคันลองของศีลสมาธิปัญญาได้แล้วเมื่อปริมาณของศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นอกิเลสเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามเพราะว่าในตอนหลังเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่มกิเลสขึ้นไปเยอะแทนที่จะเพิ่มเฉพาะตัณหาก็ทรงเพิ่มราคะเพิ่มโทสะเพิ่มมาวิชาขึ้นไปแล้วอาจจะเพิ่มอะไรอีกก็ได้นะ ก็กลายเป็นกิเลสพันห้าตระหารคือหมายความว่าถ้าอริยมรรคสมบูรณ์ก็คือใจสิ่ขาสมบูรณ์มันจะเกิดเป็นญาณขึ้นมาทําลายตัวรากง้าของสรรพกิเลสคือวิชาบรรณาถูกทําลายที่มีชื่อต่างๆเป็นกิ่งก้านสาขาดอกผลของกิเลสก็ชื่อว่าถุกทาลายไปด้วยเพราะนคำว่า คำว่านารชนก็หมายถึงคนที่เกิดมานั่นเองประการต่อไปใช้คําว่าตั้งมั่นแล้วในศีลศีลก็คือกุศลเจตนาที่มองเห็นโทษของการกระทําเช่นนั้นมองเห็นคุณของการไม่กระทําเช่นนั้นแล้วก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทําในเรื่องที่ การเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนหรือเบียดเบียนเฉพาะตนเองหรือเบียดเบียนเฉพาะบุคคลอื่นๆๆๆเพรา ะ, ะนั้นกรอบความศีลมันจะอยู่ท่าเนี้คือเราไปมองที่ผลกระทบแล้วก็จะเข้าใจง่ายคือไม่ต้องไปนับไปถัวข้อมันแดูผลว่าผลอย่างเงี้ยมีคนอื่นเดือดร้อนไหมมีเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมหรือว่าเดือดร้อนทั้งสองข่ายหรือไม่ ถ้าไม่มีใครเดือดร้อนเ อ, อถูกต้องก็ไม่ผิดแล้วแต่ถ้าเราจะนับข้อเนี่ยข้อมันจะเยอะเพราะจริงๆศีลหลักเนี่ยมันก็ก็อย่างที่เจอบ่อยๆพา ก, ก็คือศีลห้าประการเป็นรากเง้าของศีลทั้งหมด แต่ทีนี้พอพูดไปมากๆนี่พูดไปเยอะพูดไปเป็นศีลภิกษุศีลภิกษุณีอย่างที่บอกไว้ว่าศีลของภิกษุเองเออถ้าฟังตามสันวนพระอัตกราแล้วก็นับกันไม่หวดัดไม่ไหวเลยแต่ที่มีการนับคือเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์จับ ติตธรรมเทระอดิจาวาตวสโอมนัตท่านเคยนับนะฮะองค์นี้แตกฉานในวินัยวิโดกมากก็นับได้สองพันแปดร้อยกว่าข้อแต่ถามว่าใครนับได้ไหมมันนับไม่ได้หรอกมันก็เหมือนกับกฎหมายทั้งหลายเนี่ยที่ว่าในเรื่องต่างๆในประเทศเนี่ยถามว่ามีกี่มาตราเนี่ย เรื่องนั้นมีกี่มาตราแล้วว่าอย่างไงบ้างเนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกแม้แต่คนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายเป็นทนายเป็นตำรวจเป็นอายการหรือแม้แต่เป็นศาลเอาให้ศาลฎีก า, ามก็นับไม่ได้แแต่ว่าวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งม า, มากๆแล้วจะสรุป เพราะในที่นี้ท่านก็มาสรุปไว้ที่จตุปาริสุทธิ์ที่ศีลทั้งสี่ประการหมายความว่าคุณเป็นฆราวาสหรือว่าเป็นพระหรือเป็นภิกษุภิกษุณีสัมเณีสามเนรีนางสิกขามานาะไม่ต้องไปนับก็ได้ศีลของคูดมันเยอะแต่เอามานี่ตางนั้ตรงนี้นับสี่ข้อนั่นก็คือปาติโมกขสังวรสี ศีลที่เป็นหัวข้อเป็นบทบัญญัตินับหนึ่งสองสาสี่ห้าก็เรียกว่าสิกขาบทแปลว่าแต่ละก้าวของการศึกษาเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทำจิตให้มันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆคือกายประณีตเวจีประณีตแล้วก็จิตประณีตจนไม่มีแม้แต่เจตนาที่จะค่าสัตว์เจตนาที่จะลักทรัพย์เจตนาที่จะล่วงละเมิดทางเพศ คือมองทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นด้วยความโลภก็ไม่เกิดมองเพศทรงกันข้ามด้วยจิตกำหนัดก็ไม่เกิดหรือการมองคนด้วยความอาฆาตมาร้ายก็ไม่เกิดแสดงว่ามันเกิดจากค่ามปร ะ, ประนีตขึ้นตรงนี้ในชั้นศีลเองเนี่ยเขาไม่บัญญัติเป็นศีลหรอกแต่ชั้นวินัยเนี่ยบัญญัติ รอวินัยเป็นเรื่องของภิกษุกับภิษุนีจะบัญญัติเอาไว้พระมองคนด้วยความอาฆาตบาดไร้ดวงตาทมึงถึงนี่ไม่ได้ปรับประบาดทุกข์เพ่งมองเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกำหนัดปรับประบัตนะพระเนี่ยหรือเพ่งมองทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นด้วยความโลภ จะเรียกว่าอภิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้จนถึงกำกับควบคุมใจไปไม่ได้เกิดไปจับไปจับเฉยๆนะคือของไม่เคยยืน่นอันปรับประบาดทุกอดแล้วของขยับนิดหนึ่งปรับประบัดถูกนัใจแล้วของเคลื่อนไปจากจุดทึ่เคยวางไม่ได้เอาไปนะฮะคือมันเคลื่อนไปจากจุดที่เคยวาง รับอบัตประราชิกเนี่ก็เป็นวิธีฝึกในสิกขาบทเ่าเนี้ยเราจะเห็นว่าบางทีเราก็พูดเฉพาะสิกขาบทเท่นั้นเองก็เป็นปริยายคือวิธีการสื่อสารวิธีการสั่งสอนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างทรงสอนในรูปของกุศลกรรมบทมันก็คือกัน่ะก็คือศีลแต่ว่า เป็นการสอนระดับของธรรมะแต่ว่าลักษณะเริ่มต้นก็เป็นศีลคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เองงดเว้นจากการใช้คนอื่นฆ่างดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าเอ่งดเว้นจากความพอใจยินดีในการฆ่าแล้วในตัวผู้ฆ่าสแสดงว่าจิตมันประณีต ในแต่เจตนาที่จะฆ่ามันก็ไม่เกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นปริยายปริยายเทศนาคุณเดินทางไหนก็เดินไปเถอะมันก็เหมือนกันแหละก็เจอเท่ากันคือกายจะประนีตขึ้นจิตวิจาจะประนีตขึ้นจิตจะประนีตขึ้นประการต่อไปนั้นเรียกว่าอินทรียสังวรคือสำรวมระวังในอินทรีย์ทั้งทั้งห้าจะรอถึงทั้งไหไปลยนะฮะ คือตาหูจมูลิ้นกายใจไม่ได้หมายความมองไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่ลิ้มไม่จิบไม่จับต้องไม่เนียนนึกตึกนึกอะไรเพียงแต่ว่าการพูดถึงคำว่าสำรวมระวังเนี่ยสำรวมระวังในกรณีที่เห็นแล้วได้ยินแล้วได้สุดดมแล้วได้ลิ้มแล้วได้จับต้องแล้วเนียนนึกตึกนึกแล้วเกิด กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นไอ้นี้ไม่ได้ต้องสำรวมแต่ว่าด้วยการเห็นนั่นแหละธรรมะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็ดูไปเลยดูไปเล ย, เลยฟังไปเลยดมไปเลยลิ้มไปเลยจับต้องไปเลยก็ไม่ได้แปลกอะไร เพค ำ, ำว่าสมบูรณ์ระวังคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเน้นเฉพาะในกรณีที่กิเลสยังไม่เกิดจะเกิดที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนเท่านั้นแต่ถ้าธรรมะที่ยังไม่เกิดเกิดธรรมะที่เกิดแล้วเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยทำเลยนะเพ่งดูเลยก็ดใกล้ ๆ, รๆเราเพ่งดูลมหายใจเขาออกเราเปล่งภาวนาวอกพุทโธ เรามองดวงกสินต่างๆมองดวงไฟมองอะไรก็ตามครับเพราันธรรมะมันเพิ่มความสงบมันเพิ่มท่านก็สอนให้อบรมกระทาให้มากกระทาบ่อยๆกระทาจนเป็นญาณภาณะเป็นที่อาศัยของจิตจิตแนบแน่นอยู่กับอารมณ์นั้นจนความสงบแล้วก็จะเกิดปัญญาขาาึ้นมาพินะิพิจารณา ประการต่อไปนั้นเรียกว่าอาชีวบริสุทธิ์ทุกลําดับขั้นตอนของการแสวงหาการได้มาการครอบครองการบริโภคใช้สอยการแจกแบ่งการเก็บออมการบําเพ็ญกุศลอะไรก็ตามทุกลาดับขั้นตอนเนี่ยได้มาในทางที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านผู้ฟังจะสังเกตนะฮะเราก็าจะไปเห็นเรื่ององค์ของฐานนั่นดีเลย เขเรียกว่าปัจจยะสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยปัจจัยที่เรานํามาบริจาคแล้วก็เจตนาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยเจตนาในการบริจาคทั้งก่อนให้ขณะให้และก็หลังจากให้เห็นไหมเขาเป็นปัจจัยกันเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันหมายความว่ า, าในการให้ทานมันก็มีศีลเป็นฐานอยู่คืออาชีวะปริสุทธิ พอจะาหากว่าไปลักขโมยไปช่อฉนใครมาแล้วก็ให้ทานนั้นมันก็ผลในสูงเมื่อน้อยประของที่ได้มาไม่สุจริตใจเราเองก็ไม่นิ่งไม่ส ง, งบแล้วข้อต่อไปก็ปัจจยปัจจะเวกขณะคือพิจารณาในขณะรับในขณะบริโภคใช่สอยหลังจากบริโภคแช่สอยไปแล้วคือพิจารณาปัจจะสี มองไปที่การสำเร็จวัตถุประสงค์คือสำเร็จประโยชน์เวลานี้อาจจะเป็นค้านิยมหรือว่ากระแสะสร้างขึ้นก็ไม่ทราบรู้สึ ก, กว่าคนสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นพระราชดำษฐพระราชมรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสูงขึ้นแล้วก็มีการนมนมณฑพระไปบรรยายอบรม มาเองก็เคยเจอบรรยายอภิปรุงแต่ว่าพอเราไปอ่านเอกสารต่างๆคือรู้สึกพอไปทำเรื่องง่ายมันยากเออี่จิงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพออยู่พอกินมีอยู่มีกินพออยู่พอใช้มีอยู่มีใช้มันเป็นวิถีของสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณแต่ว่า พอมาเจอกับนักวิชาการเนี่ยไปใช้คำว่าปราัชญาหรืออะไรต่างๆอมันเยอะมากไปหน่อยคือเก่งในะการทำเรื่องง่ายให้ยากเรื่องง่ายเนี่ยมันต้องให้ง่ายแล้วเรื่องยากเนี่ยมันต้องให้ง่ายมันจึงจะสื่อสารกันได้ เมื่อการพิจาณรณานี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการบรรเทาการไข ว, ว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่ออเล็กอร่อยก็เรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปแต่มันขึ้นอยูแก่สถานะคนนะคือปัญหาว่าคุณเป็นใครล่ะแต่เราเป็นพระเราไม่มีลูกศิษย์มันก็อีกระดับหนึ่ง เราพระเรามีลูกศิษย์ที่จะต้องรับผิดชอบเรามีสามมันเณรที่จะต้องดูแลมันก็อีกเรื่องหนึ่งเราเป็นพระจะมีเพื่อนพระซึ่งป่วยอยู่ไปบิณฑบาตไม่ได้อะมันก็อีกเรื่องหนึ่งถึงซึ่งสรุปว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่มีกรอบมันอยู่ที่ความเหมาะามควรดำกรณีนั้นๆไม่ใช่ว่าบ้านคนตั้งสิบพักคนแล้วก็ เสวงหาปัจจัยมาพอแก่คนห้าคนอย่างนี้มันก็ไม่ได้แต่สรุปว่าการพิจารณาเนี่ยมันจะบัรเถาและจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการมีพวกใช้สอยปัจจัย4ี่เพราะจริงจงมันสมเหตุประโยชน์หรือเปล่าสมเหตุประโยชน์ก็ใช้ได้ทีนี้ตรงนีแ้แทนที่จะสอนเป็นศีลมันก็ไม่สอนสอนไปอีกแนวหนึ่ง แต่ท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตว่าผลจะเกิดเหมือนกันคือกิเลสมันจะลดเหมือนกันวันก่อนนีมีแม่ชีมาจากจังหวัดเลยนะคือเขาได้ดซีดีคอนตามาไปฟังแล้วก็มีความรู้สึกสำนึกคุณขอบใจเคยต้องการจะมากราบมาถึงเขาก็มีปัญหาซักเยอะ เห็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เห็นนิมิตก่อนล่วงหน้าเก่อนสึนามิจะเกิดเนี่ยก่อนนิมิตไปปรากฏว่งงาน้ํา ม, มันซัดตริมตะลิงพังบ้านเรือนพังวินาศไปหมดเลยต่อมาอีกสองสามเดือนมันก็เกิดขึ้นสึนามิอะไรเนี่ยถามมันเป็นยังไงก็บอกว่าคืออย่าไปใส่ใจในเรื่องอย่างนั้นมากเกินไปเลย คือเอาเป็นว่าการปฏิบัติของเรานั้นกิเลสลดลงไหมความทุกข์ลดลงไหมธรรมะเพิ่มขึ้นไหมการมองโลกมองชีวิตของเรามีความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้นไหมมันดูตรงนี้เถอะมันไม่ยุ่งหรือถ้าไปเที่ยวดูเอาอยัางงั้นมาถามแล้วเหมือนก็นั่งรถแล้วก็ถามไอ้ทิวทัศริมทางนี้อธิบายไม่ไหวหรอกมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วอะ แต่ปัญหามีความจำเป็นอะไระเราหลับตาลืมตาเราก็เห็นการปิบัตินันมันเห็นที่จิตเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเป็นการเพิ่มขึ้นของกุศลเป็นการเพิ่มขึ้นของความสุขความสงบความเยือกเย็นแต่เห็นอย่างนั้นก็ถือว่าถูกต้องเห็นอย่างอื่นมันไม่เกี่ยวหรอกอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่ว่าอย่าไปให้ความสาคัญมากเกินไป ทีนี่สมมติเราในการเห็นยางไง น, นะฮะและวกไปบอกเขาบ่อยจะเกิดเกิดขึ้ น, ข, น, ข, นขึ้นมาสัดบ้านพังวินาศหมดไม่เอาก็จริงมันมันมันสร้างความตื่นตะนกแล้วในที่สุดเนี่ยมันไม่เกิดหนึ่งเดือนก็ไม่เกิดสองเดือนก็ไม่เกิดเอาเดือนที่สามไม่เกิดแต่คนก็ตื่นตโนก แล้วไม่รู้เกิดที่ไหนเพราะว่าเราบอกชัดเจนไม่ได้เพราะ น, นิมิตมันก็เลยกระสับในวันนิมิตเฉยๆเอาไปพูดไม่ได้พูดมันยุ่งแม้แต่ระดับญาณเนี่ยเขาก็ไม่พูดพระพูดแล้วคนกลุ่มหนึ่งจะเชื่อคนกลุ่มหนึ่งจะไม่เชื่อคนกลุ่มหนึ่งจะสงสยัยคนกลุ่มไม่เชื่อเนี่ยฮะจะ อาศัยการบอกกล่าวของเรามาทำบาปต่อคือดาทอกล่าวร้ายป้ายสีสารพัดกันแล้วแต่ก็จะว่าเพรผะการการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะเอาตรงไหนก็ได้นะตรงนี้จะทรงแสดงไ้หลายแนวนั้นคือคือแนวหนึ่งนะฮะือแนวหนึ่งเขาเรียกว่าจตุ ป, ปาริสุทธิสี คือศีลที่บริสุทธิ์สี่เรื่องแต่ลองสังเกตจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันมันมาจากศีลข้อแรกนั่นแหละมาจากบทบัญญัติแต่ละสีขาวบทนั่นแหละแต่ว่าประนีตขึ้นพอมาถึงข้อที่หนึ่งมันก็ใช้สติเป็นตัวนําข้อที่หนึ่งเนี่ยใช้ศรัทธานำข้อที่สองเนี่ใช้สตินํา ข้อที่สามเนี่ยใช้ความเพียร น, นำข้อที่สี่นี่ใช้ปัญญานำเพราะเราก็ไม่พูดถึงสีลพูดถึงพูดถึงธรรมะอีกสี่ข้อเลยไปพัฒนาศรัทธาขึ้นจนมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ใ น, นขณะที่เราพัฒนาศรัทธาเนี่ยสติก็เพิ่มขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึนปัญญาก็เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาเป็นอยู่ในกระบวนการเดียวกันดังนั้นธรรมะเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันมันเหมือนกับสาหายนะที่จริงยังมีสมาธิแต่ว่าสมาธิมันเป็นผล สศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นพวกกลุ่มอินทรีกลุ่มพระนะฮะคือธรรมะสำคัญมากเป็นธรรมะระดับโลกหมายความว่าข้อไหนนำก็ได้เอาสถาน้ำก็ได้สถายตรติโอขังบุคคลจะข้ามห้งน้ำคือสังสารวัตได้โดยศรัทธา อย่างพระวักกะลีเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระหานด้วยศรัทธาบริเยนะดุกมัเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเพียรอย่างพระโสรนโกลิวิสาเนี่ยบรรลุมรรคผลได้บรรลุอรหันต์ได้ด้วยความเพียรอย่างแรงกล้าหรือสติโลกาสมิชากโรวนี่เยอะเลยสติเป็นธรรมะเครื่องปลื้อนในโลก สมาธิพิกเวภาเวธาสมาหิโตโยยถาภูตังประชานาติดูกรอพิสูตทั้งหลายเตยตั้งหลายลายนทำสมาธิให้เกิดเพราะว่าคนที่มีจิตใจเป็นสมาธินั้นจะรู้เห็นทำความเป็นจริงก็บรรลุมรรคผลเหมือนกันปัญญายาบริสุทธิ์จิตบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้ในปัญญาเมือนเริ่มข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นี่เห็นไม้มที่จริงแล้วเนี่ยพอมาเริ่มตรงนี้มันก็ไปหมดแล้วทั้งไตรลิขษณเนี่ย เพียงแต่ว่าในที่นี้ส่งแยกส่งแยกอธิบายขยายความออกไปเพราะว่าในช่วงของศีลเนี่ยพระพุ่งมีพระภาคตรัดถึงศีลก็เพื่อทรงแสดงถึงที่พึ่งของของคนที่ต้องการจะถางรกชัดน่ะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าองค์ธรรมเนี่ยเขาไม่หนุนกันเช่นสมมติเราต้องการจะต่อสู้กับโลภะซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราก็รักษาศีลอยู่นี่แหละแต่แมมตัวกระตุ้นโลภะมันเยอะจังแล้วก็เผลอไปหยิบเอาขาดสติเอาสติก็ต้องไปเสริม สติต้องระลึกว่าเราเป็นผู้มีศีลนะเราเป็นพระนะเป็นเนรนะเป็นอุปสงควสิกานะเป็นมมชีนะได้แต่อะไรเนี่ยสติก็ต้องระลึกแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเอาชนะกิเลสที่เกิดขึ้นได้แล้วต้องพิจารณาเห็นว่าเอาแหละสมมุติว่าคุณหยิบไปเนี่ยเอาเงินล้านหนึ่งล้านหนึ่งคุณจ่ายได้เท่าไร คุณจายเสร็จแล้วหรืออาจจะเป็นตัวสื่อที่นำคุณไปติดคุกติดตราดแต่คุณก็ต้องสบพายบาปเพราะว่าอยากยอกทรัพย์ปัญญาก็เกิดขึ้นบนพิจนาเหนุแมก็ทำงานประสานกันทีนี้สตินี่มันก็ร ะ, ะลึกถึงเอออาชีวะเราไม่บริสุทธินะถ้าไปเอาอย่างงี้มันไม่บริสุทธินะ ปัญญาก็เกิดขึ้นก็สรุปว่าเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นภายในจิตแล้วเกิดเป็นกระบวนการของธรรมะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทีนี้พอปริมาณของธรรมะเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยพวกกิเลสมีเชื่ออะไรก็ช่างเขาจะลดลงลดลงโดยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เรียว่าทัดเทียมกันนะประการต่อไปก็คือตั้นหาเอไม่ใช่คือคือนระนี่แปลว่าที่มีปัญญาคือท่านบอกสปัญโยสีเลปฏิถายะนโรสปัญโยสปัญโยถ้าแปลเป็นเป็นสำนวนบาลีนะฮะเขาเรียกว่าเป็นไปกับด้วยปัญญาฝั่งยาก คือหมายความเป็นคนมีปัญญาปัญญานั้นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสัจาติกปัญญาคือปัญญาที่เกิดมาโดยกำเนิดในแง่ของความเป็นอภิธรรมก็หมายความว่าคนคนนั้นแหละเป็นสัตว์ที่เกิดโดยไตรเหตุไตรเหตุก็คือจิตมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความโลภ ค, ความโกรธความหลงในขณะนั้นคือมันไม่ไม่ถึงก็ไม่มีแต่มันส ง, งบ มันสงบจากความโรคความโกรธความหลงคือจิตที่พ่องแผ้วเนี่ยเช่นสมมุติเราเราลึกถึงพระพุทธคุณอยู่ในขณะนั้นก่อนจะดับจิตก็แสดงว่าโลคโกรธหลงมันสงบใจเขาก็พร้อมในใจเหตุคือความไม่โลคไม่โกรธไม่หลงไม่โกรธไม่หลงระดับกรุ่มรุมใจนะฮะคือไอ้ที่อยู่ข้างในข้างล่างมันมีนั่นแหละที่เป็นตะกอนใจอยู่เป็นมีเพราะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่เกิดแล้ว วานบาทีเราก็พูดไม่มีมันก็ไม่ค่อยถูกคือไม่เกิดขึ้นรุ่มรุมใจเพราะอะเพราะใจเราผ่อนใสนี่ใจป่องใสยใใสแสดงว่าไม่ไม่คุณมัวถ้า ค, คุณมัวก็คือไม่ผ่องใสมือนก็พูดเล่นแต่ว่านั่นคือความจริงมันก็ทำนองคล้ายๆกับสว่างก็คือไม่มืดเราก็เข้าใจทันทีว่าสว่างนั้นคือไม่มืด หรือว่าเราบอกว่าไม่มืดมันก็คือสว่างในที่นี้จะเน้นในสิ่งที่ให้เกิดการขาจัดกิเลสโดยเห็นว่าปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เรียกโยคาปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างขึ้นประกอบขึ้นกระทาขึ้นโดยการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสโดยการ ทรงจำไว้ด้วยความแม่นยำด้วยการนำมาคิดด้วยการเกิดความเข้าใจและสุขก็นำไปสู่ภาคบริหารจัดการเขาเรียกว่าในที่นี้ใช้คำว่านิปโกเพราะว่ามีปัญญารักษาตนมีปัญญาคุ้มครองตน หรือว่าปัญญาอันเป็นเหตุให้บุคคลสามารถบริหารภารกิจการงานให้สำเร็จรุ่งรงไปก็คือหมายความว่าวิธีการแสดงของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้กรอบของคำเนี่ยกรอบของคำเนี่ยมันมั น, ม, นมันจะกินพื้นที่กินพื้นที่ออกไปแต่ถ้าใช้ปัญญาเฉยๆบางทีคนก็เฉียง นี้ก็เลยก็บอกว่าบริหารยปัญญาหรือนิปะกะปัญญาปัญญาในการบริหารตนเพราะอะไรเพราะมันมีความเพียรในการอะไรก็ตามถ้าเราขาดความเพียรเราก็ไปไม่ได้ดังความเราสังเกตนะฮะสติสัมปัญญาความเพียร อ, อีกหละเหมือนกันในหมาสติปัฏฐานนี่แหละเพราะต้องเป็นอย่างนี้ทุกที เราทำอะไรก็ตามเราปรุงอาหารเราก็ต้องมีสติสมัมปจญยะความเพียรรับประทานอาหารก็มีสติสมัมปจญยะความเพียรสักผ้าก็มีสติสมัมปญญยะความเพียรเรามีสติเรามีสมัมปจญญะแต่เราไม่มีความเพียรมันก็ชักไม่ได้ผ้าก็อยู่ส่วนผ้าคนก็อยู่ส่วนคนเพระั้ธรรมะมันจึงเป็นวิถีชีวิตเบเนี่ยเป็น ในวันก่อนเนี่ยพลตรีทองขาววงรอดพัน์เขามาเยี่ยนทิพยแล้วก็ประรคกันคือคนอ้างว่าจะไปปฏิบัติธรรมอะไรคือปฏิบัติธรรมคืออะไรอันนีค้คือเอามาว่าพระเนี่ยมีส่วนสอนให้ชาวบ้านเข้าใจตัวเองผิดเพราะกา ร, รมฏิบัติธรรมที่จริงไม่ได้มีสถานที่ มันอยู่ชีการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตยอยู่ที่บ้านสามีพัญญาทำหน้าที่คนตัวเองได้ดีทาหน้าที่พ่อแม่ได้ดีทำหน้าที่สามีพัญญาได้ดีลูกทำหน้าที่ลูกได้ดีมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมก็มอยู่ในที่ถกไม่ใช่ว่าต้องแต่งชุดขาวเลยต้องนุ่งผ้า ด, ดำสวมเสื้อขาวนะแขนสั้นต้องแต่งตัวมอซอมอมแม ไม่รู้มาจากไหนคือยังนึกว่าคงจะสอนกันจนไม่ดูที่ไปที่มาแล้วถามมาได้ตัวอย่างมาจากไหนมันมีแบบแผนที่ไหนทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นมันมีความจำเป็นอะไรจะต้องทำอย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างว่าเราอ่านพุทธวัติเล่นสามนะฮะ ตอนกษัตริย์ลิจวีมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อัมพปาลีวันเนี่ยมาเต็มยศมาเลยนะฮะประดับราชภูสิตาภรณ์เต็มยศเลยจนพระพุทธเจ้าต้รับสั่งถามพิสุว่าพิสุเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงไหมฉันบอกไม่เคยเห็นแต่บอกวันเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเทวดานี่แต่งตัวคล้ายๆอย่างเงี้ย ก็รู้ได้แะแต่เขาต้องรักษาสีเนะมันเป็นวิถีชีวิตปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าอย่าให้มันมากเกินไปนะเป็นการเจาะจงที่จะแต่งเพื่อบำเรอกามเพื่อสร้างแรงกระตุ้นเพื่ตรงกันข้ามให้เกิดความกำหนัดความรักใคร่พอใจ เพื่อต้องการบริหารศีลข้อที่สามไม่มันไม่บกพร่องอะ่ะรางั้นคําว่าปริหาริยปัญญาก็คือสามารถป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดแต่ตรงนี้แทนที่จะท่านท่านจะเรียกเนี่ยก็เรียกที่อาตาปีเป็นการสอนระดับที่จะสางรกชัดนะฮะ มาความามุ่งผลที่สมบูรณ์เพราะาไอ้โรคชัดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นมันมีรากมันอยู่ที่อวิชาอย่างที่บอกว่าอาวิชาตหาระทานเนี่ยมันก็ยึดโยมซึ่งกันและกันเพรานการถอนรากง่ามมันไปถอนที่ต้นน้นไปถอนที่ตัวอวิชาดังนั้นความเพียรจึงอยู่ระดับที่เราเรียกว่าอาตาปีแปลว่าความเพียรที่ใช้ไปทางกายทางจิต สามารถที่จะเผาผลาญทำลายกิเลสให้มอดไหมไปคือถ้ายังเกียรติคร้านอยู่ยังปัดปนประกันพรั่งพรุ่งอยู่สติยังซัสดใสาขาดขา ด, ขาดเกินเกินไปไม่ได้เพราะตัวเนี้ยก็ใช้ปัญญาปัญญาในการป้องกันความชั่ว แต่ว่าไอ้ตัวที่ป้องกันเนี่ยมันเป็นความเพียนแต่ว่าปัญญาจะต้องมีนิจฉัยอะไรความชั่วอะไรความดีไม่ใช่ว่ากันหมดเลยตอนที่เรปล่อยให้เข้าความชั่วเราไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามีสติอยู่สติไปทำหน้าที่แล้วสติปัญญาแล้วก็ใช้ความเพียนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าสีเลปฏิฐายะนโรสปัญโยสปัญโยจินกิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปโกแลก้วก็ตัวธรรมะหลักก็กลับมาที่เดิมชุดเดิมนะฮะแล้วก็ยังไงยังไงเราก็เราก็ใช้ก็ตลอดอะสติสัมัญญาความเพียรกาดไปข้อหนึ่งก็ยุ่งแล้ว แล้วต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเช่นสมมุติเราขับรถเนี่ยเราจะเห็นสติสัมปัญญาความเพียรสมาชิแล้วก็มีความเชื่อมั่นเห็นมาเห็นอินทรีย์เลยเห็นอินทรีย์เลยขับรถเนี่ ย, N เ, ย, เ, ย, N เ, ยเห็นอินทรีย์ล้เขียนหนังสือพิมพ์หนังสือนะสอนหนังสือ อ, นนอ่านเรียนหนังสือเราก็าเห็นแล้วมันถ้าพร่องไปสักอย่างเนี่ยเช่นสมมุติว่านักเรียนไม่ศรัทธานในครู มันก็เกิดเกียรติขี้เกียรติจะเรียนอสติที่จะระลึกสิ่งที่ครูสอนมันก็ไม่เกิดสมาธิจิตก็ไม่นิ่งปัญญาก็ไม่ตามมาลมระเนระนาดไปหมดเลยห้าข้อจริงๆไม่ใช่ห้าข้อละมากกว่านั้นนี่คือแสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยธรรมะปฏิบัติเนี่ยก็คือวิถีชีวิตทั้งหลายที่เราเคลื่อนไหวอย่นี เวลานี้เราไปยึดติดในรูปแบบมากเกินไปแน่นอนการนัดหมายกันอย่า ง, ง น, นั้นน่มันดีแต่ได้ช่วยกันควบคุมแต่อย่าไปคิดว่าจะต้องไปทำที่วัดขยันที่บอกเอามาไม่ไม่ชอบสนักปฏิบัติเอามาว่าขี้โมขี้อวดทำไมคุณต้องเรียกสนักปฏิบัติ ก็หมายความว่าถ้าไม่ใช่เข้ามาสำนักขุนก็คือไม่ใช่ปฏิบตัติแต่ที่จริงคนทุกคนที่ทำหน้าที่คนตถูกต้องคือปฏิบัติธรรมาะไม่ได้ยกขึ้ไปแขวนบนหิ้งธรรมาะมันเป็นวิธีชีวิตของมนุษย์การเคลื่อนไหวของมนุษย์มันก็อยู่ในกระแสของกุศลอกุศลท่านเรียกว่าคนที่เดินไปเม่บนกระแสของกุศลก็คือปฏิบัติชั่ว ประพฤติชั่วก็ประพฤติชั่วเขาไม่เรียกปฏิบัติชั่วกรีกประพฤติชั่วท่านก็เรียกว่าทุกขโตคือดำเนินไปชั่วแล้วก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกขติทีนี้คนที่ปฏิบัติดีพูดดีทดําดีคิดดีก็เป็นสุขโตดําเนินไปดีจุดหมายปลายทางก็เป็นสุกติไม่มีรูปแบบอะไรเล ย, เลย อย่างที่บอกให้ฟังวันก่อนนะว่าพระพุทธธรรรัตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดใดโดยวิธีใดใดให้ใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆวิธีที่มันจะเกิดประโยชน์่ะอะไรก็ไม่รู้สิก็แล้วแต่ มันเหมือนกับเราหยิบของเล็กๆที่วางบนพื้นเช่นเราหยิบเข็มเนี่ยจะจะจะหยิบยังไงก็ไม่รู้ให้ติดเข็มขึ้นมาแล้วกันมันไม่มีรูปแบบของมันแต่เข็มมันเล็กอาจจะเอามือจุ่มอะไรขึ้นมาจุม่มแม้แต่จุ่มน้ํำลายแล้วก็กดกดขึ้นมาเพื่อติดมือขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วหนึ่งก็ไปช่วยก็ได้ หรือถ้าสามารถจิบได้ก็ยิบเลยแต่สรุปว่าเอาเข็มขึ้นมาให้ได้ก็แล้วกันคุณยิบยังไงก็ตามนี่คือปัญญาในภาคบริหารความเพียรในองช้าก็คือความเพียรในการป้องกันความชั่วขจัดความชั่วแล้วก็เพิ่มพูนความรีรักษาความดีเราเห็นดังหนึ่งว่าความชั่วยังไม่เกิดไม่ได้เกิดที่เกิดแล้วลดลง ความดีที่ยังไม่เกิดเกิดความดีความดีที่เกิดแล้วเพิ่มขึ้นดำรงอยู่มันก็เพิ่มขึ้นบวกบวกกับความดีใหม่มีความดีกล่าวเป็นต้นทุนมีความดีใหม่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นความดีบวกเหมอ น, นข้อต่อไปที่ส่งใช้คำว่าจิตตังปัญญัจะพาวยังพาวยังก็คือภาวนาฮนะอบรมกระทำ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทำสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสิ่งที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นแล้วก็เวลาพระตถาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยตัไปโน้ตเลยเนะหายไปเลยจนถึงสมาบัติแปดทำไมท่านไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมาสติเนี่ยไม่ใช่สมาสมาธิสเนี่ยสมาสมาทิาาทจริงๆคือรูปฌานนะ อยต้องเข้าไปที่รูปประจานแต่ว่าในสมาสมาที่เราจะพูดเฉพาะรูปประจานทสูตรอรูปประจานมันก็เป็นผลตามมาอย่างพระนาคามีเนี่ยนั่นก็เกิดมาโดยโดยมรรคนะฮะคือเกิดตามมาโดยมรรคเ็สรุปว่าอบรมกันจนจนเนี้ยจนจิตได้เราจะเห็นอริยมรรคฮะ ปัญญาก็คือสมาทิสติสมาทั้งกับไปศีนั่นเรียบร้อยแล้วสมาวิจาสมากรรมตรสมาชีวะเรียบร้อยแล้วพราะฉะนั้นในขั้นของภาวนาก็คือสมาบยามะสมาสติสมาสมาธิก็เข้มข้นขึ้นไปโดยลําดับกิเลสมันก็ลดลงไปโดยลําดับนั้นท่านก็บอกว่าในวิปัสสนาเนี่ย ตรงนี้พูดเรื่องเรื่องสมถะนะพูดพูดเรื่องสมาธิที่ใช้คําว่าภาวยังหรือภาวนาเนี่ยแต่ว่าจิตตังปัญญัาจะภาวยังก็หมายความว่าจิตนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาและก็ประกอบด้วยการภาวนาภาวนาก็คือสมถะนะพูงแงวัตถภาวนาก็คือสมถะ แล้ว่าถึงจุดหนึ่งยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาอะไรก็ได้ให้เห็นตามความจริงที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นทีนี้คาว่าเห็นเนี่ยนั่นเป็นการเห็นด้วยตาไหนคือตาปัญญาแต่ตาตาไหนมันเกิดจริงนะอวิชชามันก็ลดแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ย เราแค่จัดตัววิปัลลาสเอาไปได้ที่เราคาดเคลื่อนกันเลยเนี่ยก็ยังนึกนะฮะว่าถ้าเราจับเข้าถึงระดับวิปัสนาระดับที่เป็นวิถีชีวิตเนี่ยการมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามเนี่ยมันจะลดแล้วลดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะมากเลยนะฮะลดแฟชั่นลดการ ปรุงแต่งเครื่องประดับอะไรต่ออะไรน้ำอบน้ำหอมเครื่องประทินผิวต่างๆเนี่ยโอ้มันจะลดลงไปมากมายไก่กองเลยแต่คนจะเน้นที่ความงามในเรื่องความเป็นผู้ดีความงามในด้านกิริยามันญาติความงามในด้านพูดดีจะพูดจายืนเดินนั่งนอนมีกิริยาวาจาอ่อนหวานมีกิริยาอ่อนน้อมมีจิตใจอ่อนโยน จนถึงก็มีธรรมะภายในงามด้วยธรรมะน่ากราบหน้าไหวหน้าสักการะบูชาเป็นผู้ใหญ่ก็น่ากราบหน้าไหวเป็นเพื่อนก็น้าสนิทสนมคบหาเป็นเด็กก็หน้าเมตตากรุณาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เยอะนะแก้ปัญหาสังคมได้เยอะลดการสิ้นเปลืองลงไปได้เยอะและเศรษฐกิจ พอเพียงเนี่ยจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่แน่นอนว่าอาชีพบางอาชีพก็ต้องขาดรายได้คนก็ต้องประท้วงนะฮะกี่ยวกความมาถ้าคนไปเข้าถึงมิปัสสนากันจริงๆเนี่ยที่จริงพวกนี้มันจะหยุดของมันเองคือในด้านอุปสงค์ประทานนะฮะการเสนอสนองเมื่อมีการสนองน้อยนะฮะการเสนอก็จะลดลงไป แต่ในที่สุดมันก็เข้าสู่เศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมสินสมาี่ปัญญาในที่จริงแต่เราเข้าถึงสารัธระแล้วก็คือวิถีที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งฟังทั้งหายเสียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี